คือโยมถามว่าเรื่องปราโมทปีติมันต่างกันยังไงที่จริงธรรมะชุดนี้มีอยู่5 5ความหมายคือ5้าตัวหสภาวะเขาเรียกว่าธรรมะสมาธิหนึ่งปราโมท 2. ปีติสปัสสิ 4. ีสุขสมณัส5ก็สมาธิมีหตัว กธรรมสมาธิเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้จิตนั้นเข้าถึงสมาธิความแนบแน่นในพุทธพจน์จะมีคำว่าปามโฉชะพาหูโลภิกขุปสันโนพุทธสาสเนอทิคัดเฉปทางสันตังสังขารูปรสมังสุขังบอกว่าภิกษุผู้มากด้วยปามโฉ เชื่อมั่นเลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจา้าหรือในพุทธศาสนาจากเข้าใกล้พระนิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่สงบจากสังขารธรรมเป็นต้นเหล่านั้นได้อันนี้หลักการก็คือปราโมทเนี่ยเขาเปแปลวความล่าเลิศความเบิกบานจิตโปร่งโล่งเบาสภาพที่จิตโปร่งโล่งเบาเนี่ยเขาเรียกว่าปราโมทยกตัวยอย่างเช่น ในขณะที่เราระลึกถึงว่าเราได้ปฏิบัติดีต่อแม่หรือเราได้ทำสิ่งที่ดีๆวันนี้เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกรมนาะเราไม่ได้พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพื่อเจอเราได้กระทำสิ่งที่ดีๆเราได้ให้ทานเราได้รักษาศีลเนี่ยพอคิดมนสิการหรือใส่ใจตรงนี้ปุ๊บขึ้นมาจิตใจก็ล่าเริงขึ้นมาการเบิกบานขึ้นมาทีแรกเลยเนี่ย นี่เขาเรียกว่าปราโมทจากการคิดถึงสิ่งดีๆหรือคิดถึงคําสอนของพระเจ้าแล้วเนี่ยจิตก็โปร่งโล่งขึ้นมาเนี่ยนี่ เ, เรียกว่าปราโมททีนี้ปราโมทเนี่ยเป็นภาวะที่จิตเนี่ยยังอ่อนๆ อ, อ, อยู่แต่ด้วยการมนานสิกการใส่ใจคิดในเรื่องกุศลความดีมากขึ้นมากขึ้นพอมนานสิกการคิดถึงความดีมากขึ้นเนี่ยและลึกถึง การที่เรากายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดอาชีพก็บริสุทธิ์พิจารณาถึงกระแสชีวิตของตอนเองไม่เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายนแล้วก็ภาวะความเป็นผู้มีศีลเกิดขึ้นกับเราจริงๆกายสะอาดวาจาสะอาดใจก็สะอาดโปร่งโล่งเบามาจากความเชื่อมั่นพอมาหน้าสการคิดไปเรื่อยๆปุ๊บจิตมันตื่นเต้นขึ้นมาไอ้ตื่นเ ต, นต้นขึ้นมาตรงนี้เขาเรียกปีติบางคนตื่นเต้นถึงขนาด ขนลุก ฟ, ฟู่คิดทีไรในขนลุกน้ําตาไหลก็มีอย่างนี้เป็นต้นอาการลักษณะอย่างนี้มันแรงกว่าปรามโมทนี่เขาเรียกปีติเคยเป็นไหมเช่นเราได้ดูประวัติของพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าหรือระลึกถึงธรรมะที่เราประพฤติธปฏิบัติแล้วก็เกิดจิตปโปร่งโล่งขึ้นมาใหม่ๆอย่างนี้เขาเรียกปรามโมทพอมานัตสิการไปเรื่อยๆใส่ใจไปเรื่อยๆปุๆ๊บเนี่ย อาการปลาโมดมันมีทวีคูณแรงขึ้นแรงขึ้นมันผักออกมาเนี่ยขนลุกชูชันน้ําตาไหลหรือว่าตัวโยกไปเลยอย่างเงี้ยอาการอย่างนี้เขาเรียกปีติแปลว่าความอิ่มใจมันมากกว่าเช่นไปให้ทานใช่ไหมเราได้บูชาคุณของพระพุทธเจ้านาะเนี่ยบูชาคุณของพระธรรมเอายกตัวอย่างเอามานึกถึงเนี่ยนึกถึง เอามาเอาเอาหินคกมาลงเยอะมากสิบเอ็ดคันรถใหญ่ๆเลยมาปูโอ้โหมาเทลงเยอะมากแล้วเขาต้องมาเรียงเอาหินมาเรียงริงเรียงเรียงเป็นถนนนายอมคิดดูหินทุกเม็ดเมล็ดกรวดเมล็ดทรายทุกเม็ดเนี่ยเรียงติดติดติดติดต่อกันเนี่ยเอามานึกโอ้โหเราได้ให้ญานาธาน เราได้ทําทางถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะมาณนึกถึงตอนที่สุมเมธาดาบทเอาหนังเสือใช่ไหมเก็บเก็บเม็ดหินเม็ดทรายนะ่ะแล้วก็อุทานเาพุทธโธพุทธโธพุทธโธ ท, ที่ชําระทางทําทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อปูปูเนี่ยเพื่อจะให้พระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าเปื้อนฝุ่น อย่าเปื้อนโคลนพระบาทของพระสัมมาสมุญัยจงเหยียบในสถานที่พื้นที่ราบเรียบได้สมกับการที่ได้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าดินทําไปอย่างเงี้ยมันกันึกนึกที่แรกจิตใจเบิกบานพอคิดไปเรื่อยๆหูแมทหินมหาศาลเลยแล้วปูตั้งแต่โน้นเน่ยทางเข้ายันตรงนี้เลยแล้วยังปูทะลุไปอีกด้านหนึ่งด้วย โอ้โหมหาศาลเลกุตร์เนี่ยไม่ใช่น้อยเลยเนีพอคิดๆไปนี่ยปิติตื่นเตน้นขึ้นมาคนลบโชูชันเ <c oughs> นี่ยอย่างงี้ก็เริปรีติเห็นไหมเนี่ยระลึกถึงความดีทีนี้พอพอระลึกไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆจิตมันก็เริ่มคล่องตัวลงตัวแผ่วเย็นละเยือกเยือกขึ้นมาแล้วก็สงบสงบกายสงบใจก็สงบ อย่างนี้ก็เรียกว่าปัจสัทธิมันสูงกว่าปิติอีกพอหลังจากสงบกายสงบวาจากายวาจาใจใจสงบแล้วกายสง บ, แ ล, สงบแล้วผ่อนคลายไม่เครียดนะเข้าในคล่องระลื่นขึ้นมาอีกแต่นี้มันเป็นเย็นกว่าเดิมอีกก็เรียกสุขโสมนัสมันเกิดขึ้นทีนี้พอสุขโสมนัสเกิดขึ้นแต่นี้แหละพอเราระลึกถึงในเรื่องของทานที่ให้ศีลที่รักษา หรือระลึกถึงคุณธรรมของพุทธคุณหรือเยอ่มาดูที่ลมหายใจเข้าออกจิตก็จะผ่อนคลายสงบแล้วก็ตั้งมัน่นเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งเดียวก็ เ, เรียกว่าสมาธิมันเป็นชุดเดียวกันเนี่มไหมเนี่ยปราโมทปีติปสัสสธิสุขสมาธิเขาเรียกธรรมสมาธิองค์ประกอบที่จะทาให้จิตนั้นเกิดความตั้งมัน่นทีนี้พอจิตตั้งมัน่น ต่นี้จิตเริ่มมีพลังนั้นจิตที่มีพลังปกติเนี่ยจิตฟุ้งซ่านจะเป็นจิตที่ไม่มีพลังซัดสายไปทั่วแต่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะผันนึกผันนึกสภาพใจให้มีพลังมีพลังมากขึ้นมากขึ้นจิตเริ่มเสถียรเริ่มตั้งมั่นจิตไม่มีโทษจิตไม่มีโรคจิตไม่มีของเสียจิตสะอาดเอี่ยมอ่องพองแผ้วจิตไม่มีมลทินเกิดสุขสมมนัต เกิดขึ้นมาแล้วแต่นี้ทีนี้มีพลังมีพลังหมายความว่าจะคิดเรื่องอะไรส่งใจไปในเรื่องอะไรมันเหมือนมีพลังพุ่งไปในเรื่องนั้นโฟกัสไปในเรื่องนั้นเต็มที่เลยไม่มีอะไรมาแทรกแซงเลยในขณะนั้นนี่มีพลังแล้วจิตมันใสสะอาดสังเกตได้ยังไงน้าเนี่ยถ้าน้ำขุ่นจะมองเห็นปลาเห็นปูเห็นเต่าเห็นกุ้งเห็นหอยไม่เจอ พราะมันคุณจิตเหมือนกันจิตคุณเราก็มองมองความรู้สึกไม่เห็นมองไม่เห็นแต่ถ้าน้ําใสเนี่ยมันจะมองเห็นชัดเลยเห็นปลามันวิ่งมาเห็นกุ้งมันเดินมาเนี่ยออกจากรูนั้นมาตรงนั้นมันเห็นหมดเห็นวิ่งไปวิ่งมาเห็นหมดแม้ชั้นใดถ้าโยมจิตสะอาดจิตตั้งมั่นจิตแข็งแรงจิตสะอาดปุ๊บในเวลาใดเวลานั้นนะ โยมมองไปที่ความรู้สึกเวลาความโลภความกําหนัดมันจะมาพบเห็นเลยเวลาความโกรธมันจะมาก็เห็นความหงุดหงิดฟุ้งซ่านจะมาก็เห็นมันรู้ด้วยเนามาอย่างไงอย่างไงเห็นเห็นตัวมันจริงๆเลยแต่ก่อนเราไม่เคยจับความคิดเราทันเราไม่เคยรู้เลยว่าโอ้โหจิตเรามันขนาดนี้เลยแต่เพราะจิตตั้งมั่นเมื่อไรปุ๊บมันจะเห็นมันจะเห็นความภาวะที่จิตมันใสสะอาดขึ้นมาเห็นไหมว่า มันเทศที่มันใสไม่พอเนี่ยถ้าจิตยังกระเพื่มกระเพื่มอยู่เห็นไม่ชัดเหมือนน้ําอะน้ําที่ไม่มีลมพัดต้องเป็นน้ําที่นิ่งสงบเยือกเย็นและสะอาดจิตเหมือนกันคนที่ให้ทานคนที่รักษาศีลคนที่ทําสิ่งดีๆแล้วมันเข้าถึงทานจริงๆด้วยเข้าถึงศีลจริงๆด้วยพอระลึกบ่อยๆบ่อยๆๆในเรื่องนั้นจิตก็จะเข้าปราโมทย์ปีติปสัสสติสุขและสมาธิ พอตั้งมั่นได้แล้วนี่จิตจะใสสะอาดแล้วมองเห็นอะไรได้ชัดงั้นจะแปลกถ้าให้คนจิตจะหยาบไปดูว่าตนเองผิดอะไรเขายังไม่เห็นเลยความผิดตัวเองใช่ไหมแต่ว่าถ้าจิตสะอาดเวลาปุบ๊บเห็นเลยโอ้เราคิดอย่างนี้ผิดหืมจิตเราวุ่นวายหลายเรื่องเหลือเกินมันจะเห็นหมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วตรงนี้ก็คือว่าชีวิตจริง ควรปลุกเล้าปลาโมดให้เกิดขึ้นเป็นฐานของจิตตลอดยอมเคยได้ยินพุทธภพพุทธพจน์ขับสั์หนึ่งไหมที่บอกว่าที่บอกว่าปภัทสระมิดังพิกเวจิตตังอาคันโุเกฮีอุปกิเลเสหิอุปกิเลทังจิตแท้สภาวะจิตเดิมแท้แทเนี่ยเป็นจิตที่สะอาดจิตจ ร, จริงเนี่ยสภาพของเขาเนี่ยสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้ว แต่มันเศร้าหมองเพราะอุปกรล์ที่มันจอนเข้ามาความโรคมันจอนเข้ามาความโกรธมันจอนมาความหลงมันจอนมาความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมันจอนเข้ามามันเลยทาให้เศร้าหมองฉะนั้นจิตสภาวะเขาจริงๆเนี่ยมันเหมือนฟ้าที่ใสมันเศร้ามันมันหมองเพราะมีหมอกมีควันแล้วก็มีมีเมฆ หมอกเมฆควันเนี่ยมันมาปิดทำให้ท้องฟ้าที่ใสน่มันมัวมันไม่สะอาดฉันใดจิตเดิมสภาพจิตจริงๆตัวเขาจริงๆเนี่ยเอา้าดูตัวอย่างนะถ้าโยมนอนหลับแล้วหลับสนิทหลับแบบมีความสุขนะแล้วยอมตื่นขึ้นมาสภาพเดิมเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละ มันมาจากผวังก็จิตมันได้ลงมันได้เสถียรลงเต็มที่พอตื่นขึ้นมาใหม่ๆพบจิตโปร่งโล่งเบาเลยไหมนั้นสภาพที่จิตโปร่งจิตโล่งและจิตเบาตอนนั้นนะบ่งบอกว่ายังไม่มีกิเลสใดๆมันจรมาแต่พอไปสักระยะหนึ่งนะราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงความหดหู่ท้อถอยฟุ้งซ่านลำคาญใจมันจรฟุบเข้ามา นเข้านเข้าเครียดเศร้าหมองเลยเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่ควรทําแต่และขณะแต่และขณะและทาบ่อยๆคือทําจิตให้ปราโมทบ่อยๆจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโปร่งเบาหายใจออกทีนี้คำว่าปรุงแต่งเนี่ยต้องไประลึกถึงสิ่งดีนะไม่ใช่ไปปรุงแต่งดูหนังฟังเพลงกนละเรื่องกันนะให้ระลึกว่าเราได้ให้ทาน เราได้เจริญกุศลเราได้รักษาศีลวันนี้เราไม่ฆ่าสัตว์เนากายกรรมของเราไม่เป็นบาปโอเรายังมีใจกรุณาต่อหมูสัตด้วยวันนี้เราไม่ได้รักทรัพ์หนอเรายังมีใจกรุณาปราถนาอยากจะสละอยากจะให้อยากจะแบ่งปันวันนี้เราไม่ได้ประพฤติผิดในกรรมหนอเนี่ย เราได้ทำกายกรรมของเราให้เป็นไปกับความไม่ฆ่าไม่ลกักไม่ปรพรพฤติดในกายกายของเราสะอาดแล้วเราได้เดินตามรอยบาดภาษาสดาแล้วคิดอย่างเงี้ยปราโมลด์เลยมาเรามีคำพูดเราก็ไม่เอาคำพูดไปประทุษร้ายใครไม่ไปพูดเท็จไปตัดรอนผลประโยชน์ของใครไม่ไปพูดสอเสียให้คนเ็าแตกกันไม่ไปพูดคำยาให้คนเขา ต้องเสียหายหรือต้องโกรธต้องเครียดไม่ไปพูดเพื่อเจ้อไร้สาระเราได้พูดคำจริงพูดคำที่เป็นประโยชน์พูดถูกการพูดด้วยเมตตากายกรรมวจีกรรมของเราเนี่ยเป็นกุศลเป็นกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดเราดำเนินชีวิตอาชีพของเราด้วยความบริสุทธิ์ผองแผ่วเนาะพอคิดอย่างนี้ปบบ่อยๆปราโมดเกิดฝึกจิตให้ปราโมดอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆตลอด แล้วก็ให้มีความสุขมีความสุขกับการจะพูดกับใครเราไม่ได้ใช้วาจาไปทิมไปแทงใครตอนนี้เราใช้วาจาที่ดีเราพูดจริงกับท่านผู้นี้ น, น้ะเรามีเจตนาให้เมตตารักปรารถนาดีเอื้อทอนก็พูดออกไปรักปรารถนาดีเอื้อทอนก็ทําประโยชน์ออกไปรักปรารถนาดีเอื้อทอนก็คิดอุดปราโมดก็เกิด เวลาจะทําก็ทำได้เมตตาพูดก็พูดได้เมตตาคิดก็คิดได้เมตตาหรือทำได้กรุณาพูดได้กรุณาคิดได้กรุณาทำได้พุทิตาพูดได้มุทิตาหรือคิดด้วยมุทิตาฝึกแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆให้เป็นอัธยาศัยให้เป็นเนื้อเป็นตัวพวกเราเนี่ยก็เรียกว่ามันมีวาสนาติดเนื้อติดตัวกันมาอย่าไปบอกว่าไม่มีวาสนาเนียววาสนาก็แปลว่าความเคยชินเช่นบางคนเป็นคนขี้โกรธ โกรธง่ายหงุดหงิดง่ายเป็นวาสนาบางคนเป็นคนบน่นจุกจิกยิ้จี้เป็นวาสนาบางคนชอบเพ่งโทษคนอื่นเป็นวาสนาคือไอ้ความเคยชินแบบนี้มันเป็นล่องลึกมันเป็นอัธยาศัยที่มันสั่งสมมาผิดฉะนั้นต้องปรับตัวเองต้องฝึกตนเองโดยเฉพาะว่าพื้นฐานทางด้านจิตใจเนี่ยต้องฝึกตนเองให้เป็นคนที่มีปราโมทย์ตลอดเวลาเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่า คนที่มากด้วยปราโมดเลื่อมใสในคำสอนพระเจ้าอยู่ใกล้พระนิพพานคือคำว่าใกล้ในที่นั้นก็คือจะทำให้กิเลสในใจนิพพานก็คือทำให้กิเลสมันดับกิเลสไม่มีโอกาสมารบกวนที่ใช้คำว่าอาคันตตเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิเลถังกิเลสมันเป็นแขกที่จอนมาความกำหนัดความขัดเคืองความมัวเมาความรุ่มหลงมันเป็น แขกที่มันจอนเข้ามามาทําร้ายจิตของเราทำให้จิตเราเศร้าหมองมันเหมือนเมฆเหมือนหมอกเหมือนควันอยท้องฟ้ามันใสอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้มันจรมาสิตอเนี้มันจรมาบดบังก็ทำให้ทให้ท้องฟ้ามันหมองเพราะเมฆเพราะควันนะเพราะควันเพราะอากาศที่ไม่บริสุทธิท์ทีนี้ นี่ก็เหมือนการจิตของเราเนี่ยเราต้องใช้ปราโมทชำระโอเบิบทำจิตให้โปร่งโล่งเบาล่าเลงตลอดเวลาถ้าฝึกนะยอมฝึกไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยยอมจะมีสภาพจิตใจเปลี่ยนเอาถามว่าเวลาอยู่กับภรรยาเราก็รู้สึกว่าอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเอาความต้องการเขาเราไปกำกับว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ การคิดลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าผิดธรมดธรมชาติผิดธรรมชาติโยมคิดวิธีคิดคิดยังไงตาหูจมูกลิ้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับในสรีระของโยมเนี่ยอวัยวะทุกชิ้นมันเหมือนกันไหมไม่มีเหมือนกันเลยนะแต่เขามีคุณลักษณะพิเศษอยู่อย่างคือ เขาสามารถทำงานเชื่อมประสานกันได้แต่ถ้าอวัยวะทุกชิ้นในร่างกายเนี่ยทำงานไม่เชื่อมประสานกันเมื่อไหร่แปลว่าป่วยแปลว่าป่วยนี่เหมือนกันทั้งๆ ท, ท, ที่เขาต่างกันอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันอยู่ในจุดที่ต่างกันตากับหูเนี่ยอยู่คนละที่กันเลยตากับปากตากับปลิ้นตากับแขนกับขา ตับไตเนะี่ยอยู่คนละส่วนเลยแต่เห็นไหมว่าเขาสามารถทํางานเชื่อมประสานกันได้สามารถทําให้องค์คาพยศคือการัชกายคือร่างกายเนะี่ยดําเนินไปหรือว่าเป็นอยู่มาได้ดีจนถึงปัจจุบันนี้ได้แปลว่าเขาเชื่อมประสานกันแต่ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งรั้วนขึ้นมาเบ็เสร็จปุ๊บมันลังกันหมดเลยรวนกันหมดเล ย, เลยนี่เหมือนกันชีวิตที่อยู่ด้วยกันเราจะอยู่อย่างขัดแย้งก็ได้อยู่อย่างเชื่อมประสานก็ได้ ก็เอาธรรมชาตินี่แหละภรรยาแม่ลูกพ่อแม่ปุตตา ย, ยายๆเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแต่คนที่ฉลาดสามารถเอาความต่างกันเนี่ยจับมารวมกันได้ไอ้คำว่าสังขะเนี่ยเขาแปลว่าจับเนี่ยสับสับเดิมแปลว่าจับจับมารวมๆๆๆมรวมกัน เมื่อจับมารวมกันแล้วเหมือนกับเครื่องยนต์นกลไกมันอยู่คนละที่ก็จับมาอยู่ในจุดเดียวกันแต่อยู่ในตำแหน่งให้มันเหมาะสมแก่กันและให้มันทำงานเชื่อมประสานกันและมันจะนาพาองคาร์ยพกคือรถกันนั้นไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยครอบครัวสังคมถ้าสามารถรวมกันและมีจุดหมายร่วมได้เข้าใจการเชื่อมประสานได้ สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ให้ประสบความสำเร็จทั้งทางดีและไม่ดีทีนี้นี่เหมือนกันไอ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจความต่างก็เห็นความต่างของมนุษย์แล้วชื่นใจไม่เครียดคนนั้นพูดมากคนนั้นไม่ค่อยพูดคนนั้นเดินเอียง คนนั้นเดินตรงคนนั้นมีบุคลิกภาพแบบนั้นคนนี้มีบุคลิกภาพแบบนี้อันนั้นมันคือความต่างแต่ไม่ไม่ใช่ไปเห็นความต่างแล้วเราไปทุกข์แต่จงเห็นความต่างว่าเราจะเอาความต่างของสรรพสิ่งเหล่าเนี้ยมารวมกันและทําสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นได้อย่างไรมีกันเหมือนกันในกรณีที่เรา จะฝึกตนเองเนี่ยปราโมทเนี่ยเราต้องมองเห็นความต่างของสรรพสิ่งหรือธรรมชาติทั้งหลายมองด้วยปัญญาต้องอย่าลืมนะถ้าโยมไม่ฉลาดโยมก็ไปดึงทุกข์ของธรรมชาติมาไว้ในใจเรากลายเป็นทุกข์ของเราเนะ ย, ยกตัวอย่างเช่นว่าไม่เห็นยอมวิรัสตรงนี้นยอมวิรัสก็เป็นอย่างนี้ใช่ บุคลิกภาพเป็นอย่างนี้โทนนิสัยเป็นอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้แต่สมมติว่าไปทมที่เราไม่ชอบขึ้นมาเราก็ไปปรุงแต่งเขาเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเช่นสมมตินะเขาเป็นคนเอะอะวยวายเป็นคนเสียงดังเราไม่ชอบคนเอะอวยวายไม่ชอบคนเสียงดังเราก็เลยไปดึงไปปรุงแต่งไปดึงเอาทุกข์ธรรมชาติมาใส่ไว้ในใจเราแล้วปรุงแต่งก็กลายเป็นทุกข์ของใคร ไดายเป็นทุกข์ของเราในสัพพรเนี่ยคำว่าทุกขังปริญเย ย, ยังยเนี่ยทุกขังอริยสัจจังปริญเยยังได้บอกว่าทุกข์สัจเนี่ยเป็นธรรมที่ควรรอบรู้ควรกำหนดรู้ก็แปลว่าเวลาเราเจอปัญหาเจออุปสรรคทั้งหลายเนี่ยเขาให้ใช้ปัญญาเขาไปรับไม่ใช่ใจเขาไปรับนถ้าใช้ใจเขาไปรับมันจะมีชอบกับไม่ชอบนี่ เวลาเราไปสัมพันธ์กับโลกสัมพันธ์กับชีวิตสภาพสัมพันธ์กับสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยมากเราใช้ใจเช่นเราขับรถไปแล้วรถติดไม่ถ้าเราเอาความรู้สึกเข้าไปรับปุ๊บมันยึ้ถึกไม่ชอบเพราะรถมันติดแต่ถ้าคนบางคนนะสมมุติไปกับไปกับแฟนเพิ่งจะรู้จักกันใหม่รถติดเป็นไง อยากได้คุยกันนานๆไม่อยากให้ถึงเร็วใช่ไหมเออชอบอย่างเงี้ยใช่ไหมไ อ, อความรู้สึกมันจะได้แก่ชอบกับไม่ชอบเนี่ยมแต่ถ้าใช้ปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ชอบใช้ปัญญารู้ว่าเออรถติดรถติดเนี่ยเราสามารถที่ว่าเออสาเหตุเพราะอะไรอย่างไรใช้ปัญญาไปวิจัยแยกแยะ เราจะไปอย่างไรคำนวณเส้นทางยังไงเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางยังไงโอ้มเป็นเรื่องความรู้เป็นเรื่องการฝึกเลยตรเนี้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้อยากให้เราทั้งหลายได้เราจะอยู่ในโลกใบนี้อยู่อย่างทุกข์ก็ได้อยู่อย่างรู้ไม่ทุกข์ก็ได้มนุษย์เนี่ยเป็นเป็นสัตว์ที่มีความพิเศษฉะนั้นเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะ ในมหาสติปฐานสูตรตอนนั้นพระเจ้าไปเทศที่แฟนกุรุแฟนกรุปัจจุบันอยู่ที่เ ด, ดลีชาวกุรุเนี่ยเป็นชาวที่มีสติปัญญาที่เหมาะสมพระเจ้าก็ไปเทศเอกายโนยังวิเ ว, มวรมโคสแสดงสติปฐานสูตรแสดงแล้วเนี่ยสัตว์ได้บรรลุกันเยอะในคราวนั้นเนี่ยในคราวนั้นน่จากที่ ประชาชนเนี่ยนะทุกหมู่เหล่าเขาเจริญสติปัฏฐานกันหมดเลยคนทอผ้าคนทอผ้าในโรงงานทอผ้ามีหญิงสาวคนหนึ่งทอผ้าหญิงสาวคนหนึ่งก็ไปถามบอกว่าเธอทอผ้าเธอเธ อ, เธอในชีวิตประจําวันเนี่ยเธอกําหนดสติปัฏฐานหมวดไหนหญิงสาวที่ทอผ้าว่าดิฉันกําหนดสัมปชัญญะบอบ ก็คือคู่เข้าเหยียดออกกําหนดมีสติสัมปชัญญะในการกําหนดคู่เข้าเหยียดออกไม่ให้ความกําหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมันเข้าอุ้มรุมใจเอาในขณะที่เดินไปตักน้าเดินไปนะเนี่ยเจริญกรรมฐานหมวดไหนบอกอียะบทบับกาหนดอียะบทเดินในขณะที่ตักน้ากาหนดสัมปชัญญะในการเหยียดออก แล้วก็ตักน้าแล้วก็โคเข้ามามีสติสัพพัญญะหมดเลยไหมเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมการเจริญสติเจริญความเพียรที่สร้างสารรเจริญปัญญาเนี่ยเขาใช้ในชีวิตจริงธรรมะต้องสามารถใช้ในชีวิตจริงได้ถ้าใครสอนธรรมะบอกธรรมะว่าต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งเท่านั้นถึงจะปฏิบัติธรรมะได้เนี่ยแปลว่าไม่เข้าใจคาสอนของพระเจ้าทุกระดับโคเข้า เหยียดออกมีสติสัพชัญญาในการกระทำแลตรงแลเหลียวในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มก้าวไปถอยกลับทายอุจจาระปัสสาวะในการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งทุกียาบทเป็นเรื่องของการฝึกในการที่จะเจริญสติ มีสติกำกับอยู่กับตัวมีความเพียรที่สร้างสรรมีปัญญาวิจัยแยกแยะไม่ให้ความยินดีและยิมล้ายินร้ายมันไหลเข้าสู่จิตหมดเลยนะจากคนในแคว้นเนี่ยจเจริญกันทั้งแคว้นเลยถ้าใครไม่จเจริญก็จะถูกตำหนิว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกไม่ได้เป็นประโยชน์แก่เธอเลยเธอมีชีวิตอยู่สักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันๆมีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าตายแล้วนี่พูดกันขนาดนั้นเลย ที่หนานหนักไปกว่า น, นั้นก็คือว่าเรื่องนิดดังมาจนถึงแคว้นเวสาลีเวสาลีไพรสาลีหรือแคว้นวัชชียที่เมืองนี้เป็นเมืองมีภิกษุณีอยู่นางน้าประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยภิกษุณีตอนนั้นผู้ผหญิงเข้ามาบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็มีมีคนหนึ่งเป็นช่างไปซ่อมวิหารกุฏิให้กับภิกษุณีลืมนกแขกเต่าที่เลี้ยงไว้ไอ้นกตัวเนี้ย ถูกเลี้ยงไว้ต่อมานางภิกษุณีก็เลยเอามาเลี้ยงเลี้ยงเไปเสร็จมันเป็นนกพูดได้ไปไปมาภิกษุณีนางนาประชาวดีโคตรมีท่านสอนสอนลูกศิษย์ของท่านก็สอนสติปัฏฐานหมวดลมหายใจเข้าออกบางอาียบบทบับพระสัพพัญญะบับพระกํากหนดปฏิกูลไล่ไปตามดับจนถึงป่าชาตั้งกาก็ไปจบลงที่อธิกะกรรมฐานกําหนดกระดูกระดูกระดูเอานอกตัวนี้มันฟังทุกวันทุกวันมันจับประเด็นได้มันจับเรื่องกระดูกได้นี่นกแขกเต้าตัวเนี้นะ นางพิกุลนีก็เลยเอาไปสอนสอนเรื่องกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกให้บริกรรมกระดูกกระดูกเอากระดูกให้ดูบ้างให้นัเขานัเขากิจเนี้ยได้ได้กุศลสัญญาได้กุศลสัญญาจากการจํากระดูกได้แล้วก็ระลึกได้จนเป็นอัธยาศัยของเธอเลยนกตัวเนี้ยท่องเป็นภาษาบาลีได้โดยอธิกังอธิกังอธิกังอธิการกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกมีอยู่วันหนึ่งมีเหี่ยวตัวนึงมาจับไอ้นกแขกเต่าบินขึ้นไปมันก็ร้องแกลกๆ กุมนางพิกษุลีเห็นก็วิ่งตามเอาก้อนดินบ้างไม้บางคว่างให้เหยี่ยวมันปล่อยมันวนวนวนว น, วนเอ้อเจ้านกเนี่ยมันก็ระลึกระลึกระลึกถึงคําสอนพระเจ้าจากอานิสงส์จากการลึกระลึกถึงคำสอนเจ้าไอ้อเหยี่ยวนี้ปล่อยปล่อยนกตกลงมาพอตกมาพิกุลีก็ไปจับมาแล้วถามว่าหนูก็ชื่อธรรมบาลักษานกตัวนี้ชื่อธรรมบาลักธรรมบักษิตะธรรมบาลักษา ตอนที่เหยียวจับเธอไปเนะี่ยเธอคิดอย่างไรเหยียวนกตัวนี้บอกว่าดิฉันนึกถึงพระธรรมคำสอนพระเจ้าแม้อยู่ในกรงของเหยียวก็มั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนอยู่ในกรงเนี่ยเหยียวจับอยู่อย่างเนี้ยก็เห็นว่าเหยียวก็คือกระดูกกองใหญ่จับกระดูกกองเล็ก ลอยขึ้นสู่บนท้องฟ้ามองลงมาข้างหนาง้าข้างล่างก็มีแต่กระดูกเกลื่อนกลื่นเต็มไปหมดเนี่ยนึกอย่างนี้ด้วยอนุภาพแห่งพุทธคุณทำรรมาคุณสังคุณด้วยอนุภาพแห่งกรรมฐานทําให้ตัวเองรอดพ้นจากอันตรายภายในถือไม่มีความกลัวไม่มีความโลภกดหลงนี่กิเลสภายในพ้นจากอันตรายภายในคือทุจริตแล้วก็อันตรายภายนอกอุทกภัยวารตภัยอาคีภยัย ทุ ก, กภิกายหรือราชพัยหรือภัยจากสัตว์ร้ายทั้งหลายด้วยอนุภาพของพุทธคุณพระเจ้าอาศัยเรื่องนี้ก็พระเจ้าอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็บอกว่าพิกษูทั้งหลายแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเอากรรมฐานที่ตถาคตแสดงเอาไปฝึกเอาไปเจริญยังคุ้มครองชีวิตของตนเองได้ให้ปลอดภัยจากกิเลสภายในและอุปสรรคภาภ ย, ภยนอกได้เลย จะป่วยกล่าวไปยัยกับพวกเธอเล่าที่เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพในการที่จะฝึกได้มากกว่านั้นมากกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกหลายร้อยหลายพันเท่านี่คือพลังอนุภาพของการเจริญสติวัฏฐานเห็นไหมมีสติกำกับอยู่กับตัวมีความเพียรที่สร้างสรรมีสัพชัญญาคือปัญญารอบรู้และเข้าใจตอนนั้นเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่กับเราเห็นไหมยง มันก็ได้ปราโมดตลอดไม่เคยสทกสทานไม่เคยหวั่นไหวต่ออันตรายภายในคือกิเลสและอันตรายภายนอกคืออุปสรรคทั้งหลายเลยถ้าทำได้อย่างนี้ก็ก็เรียกว่ารรมะคุ้มครองพุทธะคุ้มครองสังฆะคุ้มครองก็คือพระรัตนาตไตกำลังคุ้มครองกระแสชีวิตของท่านคนนั้นพ็จะมองเห็นีหยังถามเรื่องปลาโมดไปเยอะเล ย, <c oughs> ยปลาโมด เอมดปีตีปฏิสติสุขและสมาธิเขาเรียกธรรมสมาธิ คือ จ, จริงๆในเรื่องนี้ทางน ก, กุลปิตาค็ทบดีกันน ก, กุลปาตาก็ทบดีสองสามีภรรยาเนี่ยอสองสามีภรรยาอยู่ด้วยกันใช่ไหมสามีอายุแก่มากกว่าแก่แล้วแต่ภรรยา ย, ยังเป็นสาวอยู่ทีนี้พอสามีแก่แล้วป่วยล้มป่วยกระสอบกระแสซตลอดเวลาเลยก็ ภรรยาเห็นาสามีใกล้าตายก็เลยไปแสดงเขาเรียกว่าความอาหารประกาศสัจจะวาจาประกาศความประกาศให้สามีเกิดความเชื่อมัน่นก็อบอกกับพ่อพ่ออย่า ก, กังวลเลยถ้าพ่อตายไปแล้วเนี่ยอย่า ก, กลัวว่าดิฉันจะไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ เพราะทิฉันเป็นคนมีศักยภาพเก่งในเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องทอผ้าสามารถดูแลลูกได้งั้นขอน้อนี้อย่า ก, กังวล 2. ออย่า ก, กังวลว่าดิฉันจะไม่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะดิฉันเป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าปรารถนาที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา อย่า ก, กังวลว่าฉันจะไม่ทำให้บริบูรณ์ในศีลในสมาธิในปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่า ก, กลัวว่าฉันจะไปไม่ตั้งมั่นในศีลอย่า ก, กลัวว่าฉันจะไปมีใหม่ฉันเป็นคนที่มั่นคงในศีลในสมาธิในปัญญาและจะฝึกตัวเอง น, นี่พูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆสามีปีติเกิดพอจิตใจเกิดปีติ้นมาพบเนี่ยมันไปทำลายจิตมีพลัง พอตัวสติเกิดขึ้นมาทาปัญญาเกิดขึ้นมาความกล้าล้าอารานเกิดขึ้นปีติปราโมทย์เกิดขึ้นมาจิตผ่อนคลายเกิดขึ้นสมาธิตั้งมัน่นจิตใจรวมเป็นหนึ่งได้วางใจเป็นกลางได้โลกก็อันตรธานไปก็เลยถือไม่เท้าเดินกระสอบกระเสะ็ไปเฝ้าพุทธเจ้าเดินได้ลุกได้เลยนี่พอไปเฝ้าพพุทธเจ้า ก็ไปกราบพระรัจ้าบอกข้าแต่พระองค์พระเจริญข้าพระองค์เนี่ยร่วงการผ่านวัยแก่เท่าแล้วบางวันก็ป่วยบางวันก็สบายเดี๋ยวสามวันดีสี่วันไข้ไม่ได้มีโอกาสมาเฝ้าพระรัชกาบ่อยๆเลยพระเจ้าค่าพระรเจ้าบอกดูก่อนนะกุลปีตาปุรุชนในโลกเนียที่ไม่ได้สะดับไม่ได้รับรู้ไม่ได้ศึกษาคำสอนพระรัชกาก็มีความสาคัญว่ากายนี้ ตอนนี้ป่วยตอนนี้สบายตอนนี้ไม่เป็นไข้ตอนนี้เป็นไข้สำคัญว่าช่วงนี้ป่วยช่วงนี้ไม่ป่วยช่วงนี้สบายดีช่วงนี้ไม่สบายการที่ไปเข้าใจแบบนี้จะมีอะไรนอกจากความเขานอกจากความไม่รู้ปกติกายนี้กระสับกระสายเป็นนิดป่วยเป็นนิดไม่มีเวลาใดเลยที่กายนี้จะไม่ป่วย ฉะนั้นให้เธอมนานัสิการบอกว่าถึงแม้กายกระสับกระสายแต่ใจเราจะเข้มแข็งให้แยกกันอนี่นะกายป่วยใจจะไม่ป่วยกายกระสับกระสายแต่ใจจะแข็งแรงจะมั่นคงจะเชื่อมั่นให้มนานัสิการอย่างนี้พอพูดเงี้ยโอ้โหมีพลังขึ้นมาเลยพอมีพลังขึ้นมาก็เลยกลับรากลับไปหาภาษาลิบุตรก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้ภาษาลิบุตรฟัง ภาษาริบทก็ถามต่อว่าทำไมไม่ถามว่ากายป่วยเนี่ยใจไม่ป่วยเนี่ยจะทำยังไงจะทำยังไงถึงจะให้ใจไม่ป่วยยอมก็เลยบอกว่าดีแล้วที่ฉันเข้าไเจ้ามาหาท่านงั้นท่านช่วยอธิบายให้ฟังหน่อย <c oughs> ทีนี้ภาษาลิบท์เลยอธิบายให้ฟังว่าโดยพุทธประสงค์ต้องการให้รู้ว่ากายเนี่ยไม่มีเวลาใดเลยที่ เย็นร้อนนี่คืออาการป่วยทั้งกตดูไหมใจเดี๋ยวไม่เย็นก็ร้อนไม่ร้อนก็เย็นไม่เย็นก็ร้อนแปลว่ามันป่วยตลอดเราต้องคอยปรับตัวเองตลอดเลยหิวกับกระหายหิวก็คือหิวข้าวกระหายก็คืออยากจะดื่มน้ําเนี่ยมันต้องคอยตลอดเวลาเลยคอยปรับตลอดนี่แปลว่ามันป่วยแล้วก็ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะนี่มันเป็นโรคมันเป็นพื้นฐานตลอดเวลามันกนระสับกระสายตลอดเวลานี่คือ นี่ความป่วยแปลว่ามันป่วยตลอดก็ย่างแต่กายป่วยแต่ใจเราต้องไม่ป่วยทํายังไงใจถึงจะไม่ป่วยก็ให้เข้าใจความจริงไงโดยหลักการก็คือว่ากายเนี่ยมันกระสับกระสายตลอดเวลานั่นแหละแต่มันป่วยแบบทนได้พอทนไหวอย่างเนี้ยพวกเราเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยป่วยทุกคนเลยนะเนี่ยทั้งผู้พูดผู้ผู้ฟังเนี่ย แต่มันพอทนไหวมันไม่ถึงขนาดร้องควรครางออกมาถ้าร้องออกมาเนี่ยก็ยังพอทนไหวนะจนถึงหนัดป่วยจนทนไม่ไหวคือมันจะต้องถูกบีบคั้นจนตายมันก็มีอย่างนี้แค่นี้เองสรุปก็คือว่าให้มนตริการว่าจริงๆก็คือว่ากายมันป่วยเป็นนิดมันถูกเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ด้วยความเกิดและความดับไม่มีวาละไหนไม่มีขณะไหนเลยที่ปะกายนี้ไม่กระสับกระส่ายแต่เพียงว่าเราใจเราต้องมามนุษย์การว่าธรรมชาติของกายก็เป็นแบบนี้แหละถ้าใจป่วยคือราคะความกำหนัดโทสะความกโกรธโมหะความหลงมันกุ้มรุมนี่แปลว่าใจป่วยแต่ถ้าข จ, จัดราคาโทสะโมหะออกเวลาใดเวลานั้นก็ไม่ป่วย ที่เราทุกเนี่ยพอกลายเป็นทุกใจเราเป็นทุกเพราะเราถูกกิเลสกุ้มลุมที่ใจก็ปกติกายมันก็ป่วยอยู่แล้วก็อย่าให้กิเลสมันกุ้มลุมกระใจก็ให้เข้าใจความจริงของชีวิตแล้วก็วางท่าทีทางใจกับมันได้ว่าเป็นธรรมดาแต่เราจะไม่ให้ความกําหนัดความขัดเคืองความมัวเมาลุมล่มหลง ม, มันกุ้มลุมที่ใจธรรมนาสิกาใส่ใจคิดได้อย่างนี้ปุ๊บมันก็ไม่ป่วยกายมันป่วยของมันอยู่แล้ว ไม่มีเวลาไหนเลยที่จะไม่ป่วยแต่มันจะมากจะน้อยเอคว้าไปถ้าพอทุเลาได้กินยาบ้างพักผ่อนบ้างนอนบ้างกินอาหารบ้างแต่ว่าอย่าให้ใจป่วยถ้าความโลภกุ้มลุมความโกรธกุ้มลุมความหลงกุ้มลุงหดหูท้อถอยท้ อ, ท อ, ทอแท้หงุดหงิดแปลว่าใจมันป่วยถ้าจีดปอดโปร่งโล่งเบาแปลว่าตอนนั้นไม่ป่วยก็อย่าให้ใจมันป่วยพอไหวไหม โอเคอดนยอดอดเรียนผ่าน เดี๋ยวเอามาสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันพูดแบบย่อๆแต่เดี๋ยวมีในวิทยุไปให้ฟังรายละเอียดแต่เดี๋ยวสรุปย่อๆนี้ให้ฟังอืออือเข้าใจเข้าใจแต่ที่นี้ว่าของเหมือนไปต่อไม่ถูกอะครัว่าเราควรกำหนดยังไงหรืออืออือมันอย่างนี้ได้หลักเนี่ย อนาปนสติมันมีสขั้นตอนในเจตุกะแรกทั้งหมดอนาปนสติมีสี่เจตุกะเจตุกะละสี่ข้อหนึ่งสองสามสี่ี่สี่สิบหทีนี้ผู้ปฏิบัติเริ่มต้นเขาใช้เจตุกะแรกหมวดแรกเจตุกะมีสมันมีว่าโ ซ, โ ซ, โซต้งแต่บาลีเขาว่าอุชุงการยังปริทายาปริมุขงังสติงอุปตะเตะวาก็ว่าไป ผู้ปฏิบัติเนี่ยนั่งคูบังตั้งกายตรงอันนี้สอนท่านั่งเออสอนวิธีสอนท่านั่งนะอุชุงกายังปณิทายะปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปเทวันบอกว่านั่งคูบลังนั่งคูบังนั่งไงโยมรู้ไหมนั่งขัดสมาธิไงขดขาเข้าลองนั่งดูนะนั่งขัดสมาธิลองนั่งเออนั่งลักษณะนังถ้านั่งแบบนี้ก็เรียกว่านั่งแบบนั่งแบบไทยเออ ไม่ใช่ถ้านั่งไทยเนี่ยก็จะนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเนี่ยขัดสมาธแบบไทยจะนั่งแบบนี้ถ้านั่งแบบอินเดียอินเดียนั่งขัดสมาธเพชรเคยเห็นไหมอ่านั่งเป็นไหมขัดสมาเพชรเขาไายปอดเท้าขึ้นไงนั่งขัดเอ๊ะไม่มีพระพุทธรูปที่นั่งไายปอดเท้าขัดขาเวลานั่งเป็นไหล่ะวดมาตั้งน้น ฮะนั่นแหละอย่างนั้นก็ลองนั่งแบบอินเดียเอถ้านั่งแบบพม่านั่งแบบพม่าก็นั่งเรียงขานั่งเรียงขาเรียงยังไงอลองนั่งดทูทีเรียงขาเออเนี่ยเรียงไม่ให้ทับกันเออคือแต่จะต้องมีอะไรรองก้นเนี่ยพม่าน <us y uk ur> ั่งแบบนี้ไทยนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้ายนี่เป็นสูตรมาตรฐานของเขาถ้าอินเดียก็นั่งขัดสมะเพศขัดขาหงายฝ่าเท้าขึ้นมีสามท่านี่แหละในโลกเนี้ยอุชงกายังนั่งกายนั่งตั้งกายตรงตั้งกายตรงให้กระดูกสันหลังตั้งแต่ก้นโบยันคอเนี่ยสิบนับไปเธอนสิบปดข้อสิบแปดทอดเนี่ยให้มันตรงให้จรดกันให้ไม่บิด เขาเรียกเป็นท่าที่มาตรฐานเป็นท่าที่มั่นคงนั่งได้นานทุกเวทนาไม่เบียดเบียนง่ายหลักการก็ อ, อย่างนี้ก่อนนี่คือในนั่งยกเว้นขาไม่ดีแล้ว <c oughs> าขาไม่ดีแต่คนแก่ไม่ค่อยได้แล้ว <c oughs> แต่ถ้าใครยังไม่แก่นั่งได้นั่งนั่งได้กันทุกคนนะน่นนี่นี่คือท่านั่งเนยะนั่งคู่บาลังตั้งกายตรงปลิมุขขังสติอุปปถเปตวาก็คือ มีสติกำหนดที่กรรมฐานก็คือเอาลมอ่ะเอารลมเป็นตัวที่ตั้งของของสติอาณาปานาสติเนี่ยไม่ใช่เจริญลมเจริญสติแต่สติเนี่ยมันจะเจริญขึ้นมาได้สติต้องมีที่กำหนดก็เลยเอามาโูกไว้กับลม ทีนี้พอบอกอย่างเนี้ยให้กําหนดที่กระทบเข้ากระทบออกเดี๋ยวเราก็จี้เลยเลยเนี้คนไทยเราจะเป็นแบบนั้นคนไทยก็ดีคนยุโรปก็ดีเนี่ยพวกนี้จะโดยส่วนใหญ่เป็นพวกเครียดพวกเครียดเนี่ยจเจริญอาณาปณสติใหม่ๆยากมันเครียดมันจิตมันซัดสายตลอดใช่ไหมเวลาจะมาดูลมปุ๊บไม่เคยอยู่นิ่งๆเลยชีวิตเคยทําอะไรอยู่อย่างนี้ตลอด ให้สังเกตนะที่เขาเรียกไฮเปอร์พวกไฮเปอร์เคยเคยได้ยินไ่มไฮเปอร์พวกเนี้ยเวลาไปนั่งฟังอะไรเนี่ยคนที่เรียนรู้อะไรได้น้อยพอเรียนไปได้นิดเดียวมันเต็มมันไม่อยู่อยากอยาออกจากห้องหรือไม่งั้นก็หลับเคยเคยไหมเวลาไปเรียนนึกถึงเขาเรียนได้เราเรียนได้แค่บทเดียวแค่นี้เขาขึ้นบทที่สองเราหลับไป พู่งอีกทีบทที่สามเราเชื่อมไม่ค่ยได้เป็นไหมโรคแบบนี้เป็นไห ม, ไมลักษณะอย่างนี้แล้วแล้วเราก็บอกว่าพวกนี้เป็นพวกเ อ, อ่อให้เปอร์บางเป็นพวกสติสั้นหรือสมาธิสั้นอ่างนี้นเขาว่างนันเป็นสมาธิสั้นที่จริงเป็นคนอึดอัดอเบื่อง่ายเซ็งอะไรง่ายยิ่งมาทุกวันเนี้ยคนเป็นแบบนี้หมดเวลาไปเรียนอะไรเขาก็เลยบอกว่าห้ามเกินสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรก็ไม่รู้ แท้ที่จริงก็คือมาจากไอตัวสมาธิสั้นเป็นคนเบื่ออะไรง่ายเซ็งอะไรง่ายนั่นเองแล้วเรายิ่งไปตามใจมันคนประเภทเนี้น่ะเข้าน่ะเข้าเลยกลายเป็นโรคประเภทนี้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยตอนนี้นี่เป็นปัญหามากคือคือเรียนได้แค่สิบห้านาทียี่สิบนาทีแค่นี้ไปไม่ได้แล้วมันหลับหรือไม่อย่างนั้นมันอยากจะออกไปที่อื่นแค่นี้เพราะมันตามไม่ได้พลังไม่พอคนบางคนเนี่ยนั่งฟังได้ยาวมากเป็นไหม เราเป็นแบบนั้นไหมคือฟังแค่ไหนก็ไม่อิ่มฟังแค่ไหนก็ไม่อิ่มฟังเป็นคืนก็ได้ไม่เคยไม่เคยปวดหัวไม่เคยนั่นเลยใครมีอาการแบบนี้ไหมหรือไม่เป็นเป็นไหม <S <S 1> <S 1> คือสามารถฟังได้อย่างติดต่ อ, <S <S ต, อต่อเนื่องฟังแล้วฟังแบบยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งฟังยิ่งชอบใจด้วยโอ้โหยิ่งยิ่งมีรายละเอียดมากเท่าไยิ่งอยากจะตามอยากจะตามที่จะพูดให้ฟังคือคนลักษณะเนี้ยเจริญอาณาบรรพสติดี คนที่มีใจรักแบบเนี้ยฉันทะโดยนี่มีกําลังมากมันรู้สึกตื่นเต้นอยากจะรู้อยากจะดูอยากจะใส่ใจไปเรื่อย ๆ, ๆรู้สึกมีความสุขกับมันมากใจรักกับมันมากคนประเภทนี้จเจริญได้ถ้าคนประเภทที่อย่างที่ว่าสมาธิสั้นๆเนี่ยทําไม่ประสบความสำเร็จสักรายเลยทำเปรกกลับหรือไม่อย่างนั้นก็ไปทางอื่นอยู่อย่างนั้นเราพยายามมากเลยนะทําก็ไม่ได้ทําก็ไม่ได้พยายามแล้วยามอีกไม่ได้เหตุผลเพราะเพราะว่า ไม่ใจไม่รักใจไม่รักไอ้คว่าฉันท่เนี่ยสมาธิเนี่ยรักในการที่จะได้เข้าถึงภาวะที่จิตสงบไม่รักจริงถ้าลองรักแท้จริงๆเกิดขึ้นมานี่ น, นว่าเราจะต้องเข้าถึงภาวะที่ดีงามภาวะที่สงบภาวะที่จิตตั้งมั่นให้ได้มันรักมันชอบเข้าใจคำว่าชอบมั้ยรักแท้มันเกิดขึ้นน่แต่ถ้ามัน ไม่ได้รักอะไรหรอกมันไม่ได้ชอบเลยแบบนี้ทำก็ฟื้นๆแค้นๆไปงั้ น, น, น, น, นคุณป่วยก่าวคุณต้องปรุงใจคุณให้เห็นต้องต้องยอมใจอะถ้าเป็นนักมวยก็วอร์มอะวอร์มนักกีฬาก็วอร์มวอมจะรู้สึกว่ามันอยากจะออกกำลังกายแล้วถ้ายังไม่อยากอย่าอย่าไปฝึกทานะรู้สึกว่าปรุงแต่งว่ามันสำคัญมาก การเจริญอาณาปณนสติสำคัญมากมันเป็นชีวิตจิตใจของเราจะทำให้เข้าถึงภาวะที่ดีงามความสงบพุทีเจ้าสารเสรินมากมายเราจะต้องเข้าถึงภาวะที่จิตอ่อนโยนได้แน่นอนภาวะทั้งจิตสะอาดได้แน่นอนจิตที่ตั้งมั่นได้แน่นอน เราจะเข้าถึงความสงบปราโมดปีติปสัสสติสุขสมาธิจะต้องเกิดเราจะต้องเข้าถึงในพระาศาสนาของพระเชษฐเจ้าให้ได้เราจะต้องได้สมบัติที่พระเจ้าประทานให้ให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีถ้าไม่ได้เสียชาติเกิดแน่นอนคิดปรุงแต่งเนียบนะจนรู้สึกใจมันลักไ <c oughs> อ ย, ยอมเวลายอมจะรักใครสักคนเนี่ยยอมต้องคิดถึงเขานานๆไหมอ่ะตอนที่ยอมจะรักแฟน ต้องคิดเรื่องแฟนนานไหมคิดถึงขนาดว่าเจอปัญหาอุปสรรคใดๆก็ไม่ทอ้อจริงไหมเราจะจับมือคนคนนี้ฟันฝ่าให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้เราจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นจริงไหมเนี่ยมันปรุงแต่งขนาดนั้นนํามันถึงกล้าไปขอกันแต่งงานเนี่ยจริงไหม เนี่ยรักแบบเนะีที่ต้องการสื่อก็คือให้รักขนาดนั้นนะ่ยให้รักรักแท้ถ้ายังไม่รักแท้แบบว่าเออเดี๋ยวจะทําสักห้านาะทีไม่มีทางประสบความสําเร็จเห็นไหมไม่ต้องรีบทําแต่ปรุงใจให้รักจริงเกิดขึ้นให้รักจริงเกิดขึ้นที่ที่พอรักจริงเกิดขึ้นปุ๊บมันจะมีบทรกักโสสโตว่าอัสติโสโตวะปัสติ เธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอันนี้เป็นจุดแรกเลยนะเนี่ยอย่าเพิ่งไปเอายาวเอาสั้นให้รู้ก่อนว่าขณะนี้หายใจเข้าขณะนี้หายใจออกรู้เข้ารู้ออกอาที่นั่งๆอยู่เนี่ยร้อยทั้งร้อยไม่รู้ไม่รู้หรอกนั่งอยู่หายใจเข้าหรือออกจริงไ้มล่ะทิ้งสักแต่ว่าหายใจทิ้ง โอ้โหบางคนหายใจทิ้งมาทั้งห้าสิบสี่ขวบก็ <c oughs> ค, คือห้าสิบสี่ปี <c oughs> ใช่ไหมคําว่าหายใจทิ้งก็คือไม่เคยรู้เลยว่าขนาดนี้เข้าขณะนี้ออกขนาดนี้เข้าอันดับแรกให้รู้เข้ารู้ออกฝึกคําว่ารู้สึกเนี่ย <c oughs> เป็นชื่อของสติ <c oughs> ไม่ต้องไปจ้องก่อนให้นั่งฝึก <c oughs> อันนี้เข้า <c oughs> อันนี้ออก <c oughs> โล้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกไี่โอเคแล้วแล้วรู้สึกเออชอบเว้ยดีรู้สึกมีความสุขดีกว่าไปคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องถึงสามีถึงภรรยาถึงคนอื่นคิดนั้นว่าทุกข์ใจพอคิดถึงภรรยาโอ้เขาจะเป็นยังไงเนาะคิดถึงลูกเขาจะเป็นยังไงคิดถึงเพื่อนจะเป็นยังไงคิดถึงงานโอ้งานจะเสร็จไม่เสร็จอ้ทุกเนาะแต่พอคิดถึงเข้าออกเข้าเอาเว้ยสุข เนี่ยโอ้โ ห, โโหรู้สึกว่ามีความสุขโอ้โหเนี่ยไอเวลาที่เราอยากจะปลุกเราตนเองมีใจรักในการรู้เข้ารู้ออกเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกทำอยู่อย่างเงี้ยเข้าออกเข้าออกเข้าออกโอเคแล้วเขาเรียกด่านแรกสเลิดผลสมมุติจะสำลิดผลแล้วรู้เข้ารู้ออกชัด จึงมาด่านที่สองทีคังวาอัศสันต์โตทีคังวาอาัรหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นหรือเข้ายาวออกสั้นอะไรก็ให้รู้แต่เนี้ยเพราะอะไรเพราะเรารู้เข้ารู้ออกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาจึงมารู้ยาวรู้สั้นพอเห็นี้อยังทีนี้รู้ยาวรู้สั้นเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหม คนบางคนเนี่ยเดี๋ยวเวลานั่งสมาธินั่งเพลินๆไปนะเนี่ยเคยไหมวูบไปข้างหน้าบางทีก็วูบไปข้างหลังเคยเค ย, ยเคยไมมเคยนั่งอย่างเงี้ยบางทีก็พังหะอย่างเ ง, ง, งี้ยเออนั่นแหละเคยเป็นไหมไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังลองลองนั่งนึกทีไปข้างหน้าใช่ไหมไปข้างหน้าหรือข้างหลังนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าลมหายใจ ออกยาวกว่าเข้าคนเราเนี่ยเวลานั่งแล้วเนี่ยตัวมันจะเบาลมมันจะเปมีตัวคอนโทรอยู่เวลาลมหายใจออกยาวมันจะกระชากาถ้าลมหายใจเข้ายาวมันจะถูกผักข้างหลังนี่มันจะผักอย่างนี้นะเข้าใจนะเออจะเป็นอย่างงั้นบางทีตกใจตัวเองว่โอ้โหแท้จริงมันมันกึ่งหลับกึ่งอะไรนะั่นแต่บ่งบอกว่านั่นแหละ การไม่รู้ยาวรู้สัน้นมันเลยคอนโทรตัวเองไม่อยู่นั้นคนที่รู้ยาวรู้สัน้นจริงรู้ว่าลมเข้ายาวก็รู้ออกสัน้นออกยาวก็รู้คำว่ายาวหรือสั้นเนี่ยมันหมายถึงหายใจเร็วหรือช้าถ้าเร็วหายใจเร็วแปลว่าสัน้นหายใจช้าแปลว่ายาวบางคนนี่ยาวหรือเปล่าไม่รู้เลยเอาอะไรวัด ม, มันกีดเนิ้อมวิ่งออกมาไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาไม่ใช่เอาอะไรวัดแปลว่าหายใจช้านะสมมุติผ่านด่านสองแล้วจะไม่จะไม่ผงะหน้าผงะหลังนะรู้นักเข้าก็คือไอ้คำว่ารู้กองลมทั้งปวงไอ้กายทั้งปวงในที่นั้นก็คือให้รู้ตลอดสายสับนั้นนะ่ะสับผ้าอ่ะก็คือเหมือนเลื่อยไม้ เวลาเลื่อยไม้เนี่ยเขาารู้ตลอดสายกาให้ดูแค่ตรงนี้ดูแค่กระทบไม่ตามลงไปเวลาเราเลื่อยไม้เนี่ยเราดูเคยเลื่อยไม้ไหมเวลาเลื่อยไม้อะเขาจะดูแค่ฟันเลื่อยที่ไปกระทบไม้เท่านั้นเขาก็รู้แล้วว่ามันเข้าเบื้องต้นอยู่ตรงไหนท่ามกลางมันอยู่ตรงไหนที่สุดมันอยู่ตรงไหนในขณะที่เลื่อยเข้าไป ตอนออกก็เหมือนกันเบื้องต้นมันอยู่ตรงไหนท่ามกลางอยู่ตรงไหนที่สุดมันอยู่ตรงไหนในขนาดที่ออกมาเขาดูแค่จุดเดียวบางตำราไปบอกว่าให้ตามลงไปอ น, น, น, น, นี้เขาเรียกไม่เข้าใจพุทธประสงค์ไม่ไม่เข้าใจพุทธพจน์ ไม่ต้องไปกำหนดเงินดูแค่จุดเดียวแคนะ่นั้นไม่ต้องไปสร้างจินนาการอย่อยอางอื่นเดี๋ยวนิมิตอื่น ม, มันจะปรากฏถ้างั้นอย่เดี๋ยวนนมิตันี้มิตรมันจะหลอกไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องกังวลเพียงให้ใส่ใจว่ามันกระทบเข้าตลอดครบสายดูตลอดสายเนี่ย ทิเอรอนรายละเอียดมัต้องต้องนั่นเยอะแต่ว่าเอามาบรรยายไว้ในวิทยุในวิทยุในรายละเอียดบอกหมดสุดท้ายก็คือว่าปัดสัมปยังจริงๆทั้งหมดเนี่ยรู้ดูยาวดูสั้นก็ไม่ได้นิมิตรู้ตลอดสายก็ไม่ได้นิมิตทีนี้มาสุดท้ายก็คือมาระงับลงเหตุผลที่ระงับก็คือว่าทําลมหายใจให้แผ่วเบา สำหรับคนที่มีสติดีแล้วเหมือนเวลาเหมือนเสียงระครังเวลาตีติ้งเนี่ยคนที่มนุษการจริงๆจะได้ยินเสียงมันค้างนานมากนานมากนี่เหมือนกันถ้าเราระงับลมเนี่ยลมจากหยาบๆยาบเนี่ยค่อยๆระงับลงระงับลงระงับลงเนี่ยสติก็คอยตามแยห่หายเนี่ย บางทีลมหายไปเลยหาลมไม่เจอต้องมาหายใจอย่างนี้อย่าไปทำํำถึงลมหายก็ไม่เป็นไรแปลว่าตอนนั้นสติมันอ่อนเอะก็เพียงใส่ใจดูอยู่ที่เคยกระทบใส่ใจไปเรื่อย ๆ, ๆเดี๋ยวลมกลับมาอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นขั้นตอนในการกระทําสรุปทั้งหมดอันนี้ไม่มีเวลาก็คือว่าจริงๆต้องการอยากจะบอกว่าฝึกเบื้องต้นไปก่อนแล้วมีเวลาก็สอบถาม เดี๋ยวจะให้วิทยุไปฟังไปเลยพอท่านจะบอกรายละเอียดทั้งหมดจริงๆอานาบนาสิต้องค่อยๆทำค่อยๆบอกค่อยๆทำค่อยๆบอกแล้วมันจะเจอประสบการณ์ไปได้เรื่อยๆแล้วจะแก้ปัญหาไปได้เรื่อยๆเพรโอเคนี้มีอะไรเพิ่มเติมมอเ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาวิทยุจะเอาวิทยุกี่เครื่องเอากี่เครื่องสองเครื่อ ง, อ ง, เ, องเอเอย อ, ยอมอ้างุนเดี๋ยวยอมจะร่วมปัจจัยถ้างั้นเดี๋ยวเอามาเอาไปทาพวกนี้ทำอะไรได้บนเลยเนาะ โอเคโอเคได้ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ต้อเน้นสอบเออเออ ไม่ไม่คงมีมีแค่นี้มั้งมีแค่สองมั้ใช่ไห ม, มอ๋อแยกแยกออกกระถินเป็นกระถินก็จะทอดเอาไปใช้นีใช้นีเก่าอันนี้วิทยุสองเครื่อง เปิดเป็นหรือเปล่า มีเห็นไหมเนี่ย<า>มีลูกดีโอ้โหหนูหนูโตขึ้นต้องดูแลพ่อแม่ให้ได้อย่างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหขนาดนี้เลยบวชได้ยังอ๋อเสีย ด, ดายได้งี้ย เสีย <c oughs> ดายเลยคนดีๆ <minor> โอ้โหม <S <s <ad al> ีหนูจำไวนน้เนี่แล้วตอนโอ้โหเนี่ยมเนี่ยหายากแล้ว <Brazilian> แล้วตอนที่ใครดูแลใครหนูต้องดูแลแม่ได้แล้วหนูโตแล้วโตเมาป่ัวันอาทิตย์ก็ดีมาวันนั้นก็ดี แล้ววันนี้จะจะว่าเขาสบายใจวะสบายใจเลยเราได้เง ah ินสินเยอะสลาไปได้เยอะยังไปได้เยอะยังสลาฮะนี่รถจอดข้างนอกกันหรือเปล่าดเข้ามาไม่ได้วันนี้ ทำมาหลายวันแล้วเพิ่งเข้าใจนะคนนี้เขาเป็นเจ้า ว, วาดนี่เป็นยังไงเยฉันมาทําพวกนี้โอ้โหล้เอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองไม่เคยมีความรู้สึกไอพวกเจ้า ว, วาดเป็นกันอย่างนี้แล้วยอมนู้นมายัางไงมาด้วยกันเลย อ๋อสาธุอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยเลยอ๋ออยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เนาะใครเป็นคนเลี้ยงไอ้เจ้านี้เนี่ยใครเป็นคนเลี้ยงนนอ๋อออายุเท่าไหร่ตอนนี้ต้อง หยุดกินอาหารตอนเย็นกินแล้วอร่อยมาก <c oughs> เรื่องจริงนะและหนูจะได้คุณภาพเนี่ย ไ, นะไอเองงนะี่ยงูนนะเจ้าง่นเลยอมงูนะแต่ก่อนก็พุงโตตอนเนี้ยฉันก็สั่งแล้วบอกว่าให้เลิกกินอาหารตอนเย็นบางทีบอกไม่ต้องสั่ง แล้วให้สมาทานศีลโอตอนนี้เห็นหมันได้เริ่มตัวเล็กลงเลยไม่เริ่มตัวเล็กลงถ้างั้นโอ้โหมันมันยื่น่องมาเรื่อยนผู้หญิงมันอ้วนเร็วใช่มเขียนอาหารไม่ได้รู้สึกมันเหมือนเป็นสตรูกันบางแต่ชาติไหนก็ต้องเล่นกันให้แหลกข้างน้ <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะตอนเย็นโอ้ตอนเย็นกินอย่างหนึง่งปัจจุบันก็ทําอะไรนะ เ, เรียกฟาสติง้งใช่ไหม ฟาติงเด็เขาจะอดอาหารสบดชั่วโมงต่อ ว, วันเนี่ยเขาเขาทำเลือกผอมทุกคนเลยก็พระเราอยู่ดีๆเนี่ยตั้งแต่เที่ยงไปแล้วไม่กินเลยไปกินอีกทีหกมงเช้ากี่กี่ชั่วโมงอะสิประมาณส8บชั่วโมงสบดชั่วโมงลองทำดิหนูหนูกินอะไรไปตามปกติแต่ตั้งแต่เที่ยงไปแล้วหนูหยุดเลยนะ แล้วก็ลดพวกแป้งน้ำตาลให้ทำให้ทำด้วยปัญญานีทำได้ว่าเราต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีร่างกายแข็งแรงเราไม่ต้องการมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราต้องดูแลตัวเองให้เป็น ถ้าดูแลตัวเองไม่เป็นแล้วเนี่ยรักตัวเองไม่เป็นแล้วแล้วใครจะรักหนูแล้วหนูจะรักคนอื่นเป็นไหมไม่เป็นถ้าคนไปเจอผู้ชายที่เขาฉลาดฉลาดหน่อยเขาไม่เลือกหนูเลยหนึ่งเอ๊ะเก็ดูแลตัวเองไม่เป็นเองแล้วไม่รักตัวเองนี่แล้วอย่างนี้จะรักเขาได้ยังไงเขาเขาก็เดินหนีหนูเลย น, นั่นหนูต้องรักตัวเองจริงๆไม่ใช่เรื่องสวยไม่สวยเรื่องสุขภาพ ใช่ไหมก็พ่อแม่ก็ทำเรื่องสุขภาพอยู่เลยตรวจโรคนั้นตรวจโรคนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็รู้เนี่ยเราไปเห็นคนป่วยโดยส่วนใหญ่ก็คือคนปล่อยกินอะไรอยากกินอยากกินไปใหญ่เล ย, เลยอายุขนาดนี้นะถ้าหนูปล่อยให้อายุมากกว่านี้หนูจะอดไม่ไหวเลยทนไม่ไหวช่วงนี้ลดได้หยุดเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เอาเย็นนี้เลยกลับไปครพอไปเห็นเขากินอาหารอะไรต่างๆไม่ไม่สนมันพูเพราะพะพราชนะเพราชนะใจตัวเองสักครั้งสองครั้งแต่นี้มีความสุขมีความสุข อ๋อทำงานในครอบครัวดิทำเป็นเป็นเป็นงานในครอบครัวเลยเ น, นะาะอ๋อดีโอ ด, อยโอดียังรถไม่ติด <laughs> ถ้าทำงานที่บ้านเนี่ยสบายอย่างไ่นงอตามบริหารนด้ดีคือมันอย่างนี้รเรื่องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่นย มันสัมพันธ์กับชีวิตของเราเราไปอยู่ในประเทศใดเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตที่โคจรไม่ไม่สอดคล้องกับดวงอาทิตย์อายุสัน้นอายุสัน้น <c oughs> <c oughs> อายุสัาาน้นอ้นน อ, นนนอย่างนี้มันผิดเวลาที่จริงๆคือเวลาเวลาดวงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเป็นเวลาที่ ต้องพักนกมันยังต้องเข้าลังเลยยกเว้นนกเขา เ, าเมวเนี่ยมันมันมันมันเป็นอย่างนั้นด้วยธรรมชาติเพราะว่ามันมันมันมันบาลานซ์กันพอดวงอาทิตย์ขึ้นมาปุ๊บล้วก็ตื่นขึ้นมามันไปอยู่ในประเทศไหนก็ให้โคจรชีวิตให้ใหสอดคล้องกับดวงอาทิตย์าการาการปฏิบัติธรรมข้อแรกนะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดูแลตัวเองเป็นแล้วก็มีอายุยืนยาวเห็นไหมข้อแรกเนี่ยข้อแรกเลยเนะเรื่องการ เ, าเป็นอยู่สถานที่อาศัยเครื่องนุ่งหมยาอาหารแล้วก็ใช้ชีวิตที่เหมาะสมอยู่แบบประเภทที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอายุยืนยาวในพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยอ้วนกินกินแกะทีละตัว โอ้แกะตัวหนึ่งกินอิ่มกินหมดเลยแล้วก็อ้วนนั่งอุ้ยอ้ายไปเฝ้าพรุทธเจ้าอึดอัดมากไบบอกถามพุทธเจ้าทำยังไงพระุทธเจ้าก็บอกว่าให้มีสติกำกับอยู่กับตัวรู้จักประมาณในการกิน <c oughs> แล้วทุกขเวทนาจะเบาบางอายุจะยืนยาวคือฉลาดในการกินใช่ไหม อันดับแรกคือมีสติให้ท่องไว้เลยนะที่จริงเป็นคาถาเนะขคาถาลดความอ้วนเนะี่ยมีสติกำกับไว้กับตัวรู้จักประมาณในการกินจะทำให้ทุกขเวทนาเนี่ยเบาบางแล้วก็อายุจะยืนยาวก็คือดูแลบริหารจัดการร่างกายนี่นี่ยด้านข้อแรกข้อที่สองมีงานมีเงินพึ่งตนเองได้ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมใช่ไหม ข้อที่สามมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมพอสมควรข้อที่สี่มีครอบครัวสมัครสมาน ส, สามคัคคีอยู่เย็ดเป็นสุขไม่ขัดแย้งกันเนี่ยสี่ข้อเนี่ยเป็นพื้นฐานสุดๆเลยนะถ้าใครใครสี่ข้อปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยโอ้เดินหนีเลยไม่ได้เรื่องเลยอันดับแรกต้องถามว่าคุณใช้ชีวิตยังไงดูแลตัวเองเป็นไหม กินอาหารเป็นเวลาไหมพักผ่อนเป็นเวลาไหมมีการออกกำลังกายไหมใช่ไมดูแลตัวเองยังไงคือใช้ชีวิตสัมพันธ์กับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หมถ้าไม่สัมพันธ์เรียบร้อยเลยถ้าอยากป่วยนะยอมลองอยากป่วยเนะ้ยยอมทํางานกลางคืนนอนกลางวั น, วน <laughs> มันมันไม่สัมพันธ์ มันไม่สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์คือมนุษย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติอย่าไปฝืนธรรมชาติให้ทำอะไรให้สอดคล้องกับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ยอมรู้ไหมว่าไอ้ดวงจันทร์เนี่ยข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยเป็นเหตุให้น้าขึ้นและน้าลงน่ในร่างกายเราเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดเลยเนยน้ำในร่างกายเราเนี่ยมีน้ำมากกว่าส่วนหนึ่ง น้ำในทะเลน้ำในร่างกายก็คือ น, น้ำฉะนั้นบางช่วงเนี่ยมันจึงมีความอึดอัดจิตใจว้าวุ่นช่วงสิบห้าค่ำสิบสี่ค่ำแปดค่ำขึ้นแหลมช่วงเนี้ยจิตใจทำไมเขาให้สมาทานศีลเพราะเวลามันเกิดการดินน้ำไบลมในร่างกายมันผันผลขึ้นมาให้สมาทานศีล จิตจะได้ส ง, งบเห็นไหมเนี่ยหลักการคืออย่างนั้นเพราะว่ามันสัมพันธ์กับอันนี้ถ้าพูดเรื่องดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไปอีกเรื่องนึงเลยตี น, นี้เราจะเห็นโอ้ทาไมพวกหมอดูมันทํานายกันอย่างนี้เห็นไหมถ้าคนเรียนเรื่องโหราศาสตร์ดาราศาสตร์มาเนี่ยเรียนเรื่องโหดศาสตร์ดาราศาสตร์มาโอ้เข้าใจโอ้มันสัมพันธ์มันสัมพันธ์กับกระแสชีวิตเข้าใจนะหนูนะ อันนี้เป็นปู่หรือเป็นอะไรฮะลุงเป็นลุงนะเป็นลุงอายุเท่าไหร่แล้วโยม 6-2 6-2 แล้วมากหรือยังมากแล้วนี่ยทำงานอยู่ด้วยกันป่ะเป็นทนายอ๋อยังว่าความอยู่ป่ะ อ๋อยอมขยันทำบุญกันขยันทำบุญกันดี เออมีลูกดีนะเป็นบุญมากขยันทำบุญกันนยากหยิลอ โอเคปะอ้โชดก่อนเอตอนนั้นก็พิจารณาเรื่องทิพระพาไปอินเดียนึกว่าแต่กลุ่มพวกนี้เขาพิจารณาหมดแล้วไงอาจารย์ก็ไม่ได้มาดู เห็นท่านอ้วนเอามาเสนอมานึ้ว่าเออหมดแล้วพอไปดูว่าเต็มแล้วไปดูออกมืเนี่ยเขามาชื่อมาเพิ่งมาดูเฮ้ยหายไปในหมดพวกนี้ไม่ยอมไปกันเลยนึกว่านึกว่าไม่อยากไปกันเดี๋ยวปีปีต่อไปอปีต่อไปเดี๋ยวจะเพราะว่าจริงๆมันที่คัดออกเนี่ย แต่อาจารย์ญญคัดกลุ่มอื่นนะกลุ่มที่เสนอมาเกิดอาจารย์ญญญมาคัดออกประมาณสิบรูปเกือบสิรูปคัดออกมันมันรถมันเต็มรถมันเต็มและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่อยากใช้งบเยอะหกสิบสองรูปก็ใช้งบทั้งสามล้านแล้วฮะใช่ 63สมรูปก็ใช้งบทั้งสามล้านองละเกือบห้าหมื่นคิดเบสเสรก็ห้าหมื่นเลยอย่างอื่นด้วยองละห้าหมื่นเนหกสิบรูปเท่าไหร่ก็สามล้าน3มล้านกว่าดิใช้งบเยอะมาก สามล้านบาทก็โอโ้เห็นงบมันบานปลายวิวั ย, ยที่จริง ส, สิบวันที่จริงเนี่ยตัวงบเนี่ยที่แรกจริงๆริคิดอยากจะทำเจดีโยมเนี่ยยอมก็เคยโกรนาอยากจะทำเจดีอยากอยากฉันฉันก็เลยอยากจะสร้างเจดีย์พอนั้นไปนั่นมาก็เลยเอ๊ะสร้างคนนี่เราสร้างพระนี่แหละ เอาเสร็จแล้วเนาะเอาเสร็จแล้วนะมาเดี๋ยวตั้งใจตั้งใจอา่เอาเดี๋ยวโมทนาด้วยกันนะอ่าเอาเอ า, เอาประกาศด้วยอประกาศด้วยจะได้โมทนาอา่าประกาศด้วยเชื่อมาก็ยังไม่รู้จักเลยนี่ ออยมบานีออัตกรออสานก็เป็นลูกเลยอ๋อตอนนี้มีทั้งลูกสาวลูกชายแล้วอ่ามรทนาด้วยกันนะอ่ากล่าวเลยอ่าจะได้บ้าง อ๋อโมทนาด้วยพอดียมถวายกระถินสองแสนบาทวันนั้นมาด้วยไหมอ๋อแล้วก็ถวายให้ฉันเจริญกุศลอีกสามแสนโมทนาด้วยกันห้าแสนบาทสาธุสาธุอ้าเดี๋ยวตั้งใจรับพรอไม่เป็นไรเออเออไม่เป็นไรเดิยวกันเออมาที่นี่เลย อ้าวอโอ้าอ้าวอ้าวถ่ายรูปโยมก็อยากจะถ่ายรูปไม่เป็นได้เอา อ่น้นั่งนั่งหันหน้าได้เอามานั่งโค่นี่พุชอยอมได้ได้โอเคอได้ได้อหนูนั่งตรงนี้เอาเดี๋วผู้ชายอยู่ทั้งผู้หญิงนั่งตรงนี้ข้างนี้ได้โอเคเออ ออาเดี๋ยวตั้งใจรับพรกันโอ้โมทนาตั้งใจมานานเนาะกุศลนี่ตั้งใจทาเนี่ยเนยเป็นเป็นตัววัตถุทานไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือสิ่งของเนี่ยก็ เ, เรียกว่าเป็นวัตถุทานแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเจตนาคือจิตที่คิดจะให้ให้ด้วย ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยความเชื่อมั่นให้สลาขาดก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจนะทำจิตให้เกิดขึ้นโมรน า, าในกุศลที่พวกเราเดําเนินเดินตามรอยบาตรศาสดาดําเนินไปตามมชิมาปฏิปทาการให้ที่เป็นทานกุศลที่เป็นบารมีก็เรียกว่าจิตตะลังการท า, านัง ให้เพื่อประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตเพื่อเข้าไปสู่ศีลสมาธิและปัญญาขอกุศลที่โยมทั้งหลายนี่ยที่มาทั้งหมดเนี่ยที่ตั้งใจเจตนาทานเหล่านี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนนำพากระแสชีวิตของโยมทั้งหลายจงดำเนินไปตามมรรคาของพระพินาเจ้าให้พ้นจากชาติภัยชาราภัยพยาธิภัยมรณะภัย ที่สุดจริงๆก็ขอให้เข้าถึงอนุปาทาปณิิพาน์าคือการสิ้นเากิเดศและกองทุกขโดยการทุกท่านทุกประการสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธตินาปาปกางสุปีนางปสติมนุษย์สานังปิโยโหติอมนุษย์สานังปิโยติเดวตารคันตินาสักคีวาวิสังวาสตัง วากรมติตัวทั้งจิตตังสมาธิญติมุขวันโนวิปัสสิทติอสามุลลาโหการังกโรติอุตริงอภิวิชันโดบรมโรกุปะโกโหติด้วยอนุภาพแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรมรมร aritya สงขอโ ย, ยมทั้งหลายจงเป็นผู้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายขอยให้เทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย ไฟสัตรายาพิโรกร้ายอย่าได้เบียดเบียนมีสีหน้าที่ผ่องใสมีสมาธิตั้งมั่นเร็วไม่หลงทําการเกริยาปรารถนาทราพัพย์คอยได้ทรัพย์ปรารถนายศคอยได้ยศปรารถนาความสุขให้ได้ความสุขให้ดําเนินกระแสชีวิตไปตามมัชิมาปฏิปทาเข้าถึงอนุปาธาปริณิพานเกิดการเส้นจักริเลศและกองทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกประการเถิดธรรถนาด้วยเนาะสาธุ